Thank you. คงได้ยินคำอุปมาว่าชีวิตเนี่ยเหมือนการเดินทางเขา อ, อุปมานี่ก็ต้องขยายความหรือว่าเพิ่มเติมหน่อยนะว่าเดินทางในที่นี้เนี่ยหมายถึงเดินเท้านะไม่ใช่นั่งรถเพราะว่าถ้าีวิหมือกการนั่งรถนะมันดูว่าจะง่ายไปแล้วก็หมายความว่าคนที่ไม่มีรถหรือคนยากคนจนก็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 ที่เราทุ่มเทเงินทองแล้วก็เวลาไปเนี่ยเบิคำมันก็เป็นการปนเปนิดตาหูจมูกลิ้นกายนะแต่ว่ามันจะปนเปนิดใจก็ในสัด ส, ส่วนที่น้อยกว่าเรื่องของกายเัีถ้ารทพเจาูพิจารณาดูในชีวิตของเราแต่ละวันหรือว่าตลอดทั้งปีหรือว่าตลอดทั้งชีวิตเลยเนี่ยก็จะพบว่า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 อย่าเสพติดได้อย่าจิตใจอ่อนแอทั้งที่ถ้าจะให้แจกแจงว่าบุรีไมนมีโทษอย่างไรนะเรามีโทษอย่างไรก็พูดได้ <c oughs> อันนี้เราต้องเอาใบยมุกอย่างอื่นด้วยนะเช่นเล่นหวยนะหลายคนก็ติดหวยทั้งที่รู้นะว่าเออมันมันสิ้นเปลืองมากนะแทงหวยไปไอ้ที่จะได้กลับมาเนี่ยน้อยกว่าที่เสียไปเยอะหรือว่าเล่นการพนันเนี่ย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 ใจมันอ่อนแอบางทีเราก็เห็นปรากฏการณ์นี้กับลูกของเรานะอยากจะให้ลูกนะขยันเรียนอยากจะให้ลูก อ, อย่ไม่ติดเกมนะั่นแต่ว่าลูกก็ทําไม่ได้อันนี้เรียกว่าจิตใจอ่อนแอนะเพราะว่าพ่ายแพ้ต่ออํานาจกิเลสล้วคนเหล่านี้ถ้าไม่สามารถจะทําให้มันเกิดความสมดุลได้นั้นระหว่างเหตผลกับอารมณ์หรือว่าความคิดกับความและความรู้สึกเนี่ย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 ให้มันได้ให้มันพอพ อ, พอฟัดพอเวียงหรือว่าทัดเทียมกับเหตุผลหรือว่าความรู้นะสมัยนี้เราไปเน้นเรื่องการพัฒนาไอคมากนะในโรงเรียนก็สอนแต่เรื่องของการใช้เหตุผลการคิดไวคิดเก่งนะเป็นในเรื่องของอาการคิดเยอะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเรื่องของอารมณ์นั้นเด็กก็มีปัญหา